อรหังสัมมาสัมพุทธโภพคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพะกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าขออภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาขาโตพคกวาตาธมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วรรมังนมะสามิข้าพเจ้าขอนามสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบ